ปพสถากรณโตปุเพนววิถังปุพภิจจังกาตาพังโหติตันทานสสมัชฌนันจัตถาปฏิปุจแลนัญจาอาสนปัญญปนัญจัปนิยปริโภชานิยปัถปนัญจาฉันทาระหานังพิโกนังฉันทาหระนัญจาเตสันเยวะอกตุปสพสธังปาริสุทธิยาปิ อาหารนั่จะอุตุขขันนั่นจะพิโคขันณนอาจะพิขุนีนโมวาโทจติตถาภริมาณิจตาริพิขคนางวตังชานัณเตหิอารามิเกหิปิพิโคหิปิกตานิปริณิติตานิโหนติฉันทาหาระปาริสุทธิอาหารนานิปันันอิมิสั่งพัทสิมายัง หัตถปาสั่งวิจิหิตาวานิสินนานังปิโคนานัอภาวตโตนทตถิโอตุขานังนามาเอตตะกัอติการตังเอตะกังอวสิธานติเอวังอุตุอาจิขานังโอตุนิธาปนะสะสนเฮมันตาคิมหะวะสานานังวเสนาติเนหนตินอัยยังเฮมันโตโตอิมาสมินจะโอตุมหิอัฏฐาอุโปสธาหัง อมินาปะเขนณเอกโอุปโสสะโทสัมปัตโตนเทวิโอุโปสสธาอติกันตังปัญจโอุปโสธาอวสิทธตาอิติเอวังสัพเพหิอายสัมันเตหิอุตุขานังทารีอิตาังฮิกุขานันนานามาอิมัสมิงอุโปโสทาเข อุโปสถทธยัสนิปติตาภิกข u เอตกาติภิกข u หนังคันานนงอิมาสมิมปนาอุโปคสัทธคเจตาโรภิกข u สนิปติตาโหนตีอิติเอวังสัเพหิอายสมันเตหิภิกข u คณนาปิทารเอตภานภิกข u เนนโมวะโทปนาอิธาเนตาสังนัติตายาณทิ อิติสการ์นกาสานังปุพกิกจานังกตตานิกรโนัก asan ังปุพกิกจานังปกติยาปอรินิทิตัตาเอวันตังนววิธังปุพกิจจังปรรินิตังโหตินิธิเตจปุพกิจเจสเจโซทิวโซจตุทัศีปนารศีสามมคินัมัญยทโร ยะถาเชอุปโสโอปันนรส้ยาวติกาจะภิกขโอกรมปัตตานสังคโฆปุสธาหราจัตตารัวตัตโตวาอติเรกาปะกตตาปาราชิกังอาณาปณะนา้นสังเฮนวะอนุกิตาเตจขโหทถปปสังอเวชหิตาวาเอกสีมายังติตา เตสั่งจะวิกาลโภชนาธิวาเสนวัตถุสภาคาปัติโยเจนวิชันตีเตสั่งจหัตถาเสหัตถาสโตปหิการณาวเสนา ว, า เ, นาวาเชตภโกจิวัชเนียปุโลเจนธัธีเอวันตังอุโปสถกัมมังอิเมหิจะโตหิลักขเนหิสังหิตังปัตะกั ล, ลังนามโหติกาตุงยุตารูปัง อุโปสถะกัมมัชสะปัตตกัลตังเวทิตวานอิธานิกริยะมาโนอุปสัทโธสังเขนะอนุมาเนเอตับโหณนะโมตัสสะพระขวโตอะราหะโตสสมมาสมพุทธสนะโมตัสสะพระขวโตอะราหะโตสสมมาสมพุทธสา นะโมตัสสะพากขวะโตอัรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนหะโตเมพันเตสังโฆอัชิปวปุสสโธปนรสโทยะทิสังขสักพัตตะกันลัง สังโฆอุปสัทถังคาระเฮียปาติโมกคังอุทธิสัยยะคิงสังคัสะกุปกิจจังปาริสุทธิงอายะสมันโตอาโรเจทาปาติโมขังอุทธิสิสามิตังสเพวสันตาสาตุกังสุนโอมะมานสิกรโรมะยัสสิยาอาปฏิโสอวิเครียยะ อสัตติยาอปาติยาตุเนหีภวิตะพังตุนหีภาเวนะโคปะนัยสมันเตปริสุทธาติเวทิสะอามิยะธาโคปะนัปัจเจกพุทธะเวอยากรณังโหติเอวะเมวังเอวะรูปายาปริสัยยะยาวตติยังอนุสาวิตังโหติโยปะนับปิคุยาวตติยังอนุสาวิยมานิสรมานน สันติงอปติงนาวิกะระหียสัมปชานมุสาวาทัสสะโหติสัมปชานมุสาวาทโคปนายะสมันโตอันตรายโกธรมโอุโตภะคะวตาตาสมาสรมาเมนะพิกุณะอาปันเนนาวิสุทธาเปขเณนะสันติอปติอาวิกาตภา อาวิกตาหิตสาภาสุโหตินิธานังนิถิตังตัตริเมจตารูฟราชิกาธรรมาอุเทสังอาคาชาตันตโยปนาภิกูภิโคนังสิฆาสาวชีวสมาปนนติศิขังอปปจักหายตุผลิยังอนาวิกตะวาเมทนังธรมังปิเสวายา อันดมสติรชานะกะตายะปิปาราชิกโ호ติอสังวาสุนยโยปนาปิกุคามาวาอารัญยาวาอาทินังทัยยังสังฆตังอาทิยยียยถาลุเปอาินาานาธาเนราชาโนโจรังกเหตวาหะนัยยงวะ wa, พันทัย wa, ังวะปปภาชายัยยงวะจโรสิพาโลสิมุลโฮสีเทนโนสีติ ตถาโรปังวิกุอตินณังอาเทยาโนยอยมปิปราชิโกโหติอสังวาสุนโยปนภปิโุสัณจิตจะมนุสสิกหังชีวิตาวโรภัยยาสัตหะฮรังวาสสปเยสะออยามรณะวันนังวาสังวันไนยมรณะยวาสมาธิไภยะอัมโพปุริสักิงตุหิมินาปาปเกนาทุชีวิตเณนา มาตันเตชีวิตาเซโยติอิติจิตมนุชิตสังคปอันกปรยาเยินามารวันนางวาสังมนยมรณายวาสมัธภัยยาไยมปีปราชิโกหติอสังวาโซเยปนาปิโกอนาพิชางอุตระิมนุสธรรมังอตปนาิกังอัลละมารยาาณัสสนางสมุทาจราอยา อิติชานามิอิติปัสสัมมิติตตโตอะเรนะสมัยเนนะสมนุกขหหิยะมานวาอสมนุขหาหิยะมานุวาอปโนวิสุธาเปโขเอวังวัฏไหยะอาชาณเมวังอโสุอวจังชานามิอปัสสังปัสสัมมิตุจังมุสาวัลลปินติอัญญัตระอธิมาณาอยังปิปาราชิโกโหติอสังวาสอ อุทิ tha ขออายสมันโตจัตตารูปาราชิกาธรรมาเยสังพิโกัญญาตรังวะัญญาตรังวาอาปาจิตวานลภัติพิโกหิสัตถิงสังวะสัยธาปุเรตาธาปชาปราชิโกหติอสังวะโซนตถาายสมมนเตปุชฌามิการจิตาปริสุทธาตุติยมปิปุชฌามิการจิตาปริสุทธา ตัตยมปิพุชฌามิกจิตาปริสุทธาปริสุทธิธายสมันโตตสมาตุเนหีเอวเมตังธารยามิปาราชิกุเทโสนิทิตโตอิเมโคปนายสมันโตเตระสะสังขติเซสาธรรมาอุทเทสังอาคัชันเตสันเจตนาสุกาวิสัตถิอันญัตระสุปินันตาสังาติเซโซ โยปะนาปิกโอตินโนวิปปเรณเตนะจิเตนามาตุคาเมนะสัทิงกายสังสักขังสมาปชัยียาหะตะคาหังวาเวนิกาหังวาอัญญตราวานอัญญตราชวังกสสะปรมสนังสังขติเซโซโยปะนาปิกโอตินโนวิปปเรณเตนะจิเตนามาตุคามังตุทุลลหิวาจหิโอภาสัยียา ยะธาตังยุวยุติเมโนปะสสนิตาหิสังาติเซโซโอปนาปิโกโอตินโนวิปรนนาเตนะจิตเตนามาทุขามาสะสันตเกอตกามาปาริจริยายะวันังภาษเอียเอตตาคังพักเณปาริจริยังยะมหิสังสิละวันตังกัลยาณธรรมังพระมจริงเอเตนะธรมณปริจรยาติ เมทนปบาสันหิตนณสังขติเซโซยโยปนภิกุสันจริตตังสมาปัชะเฮียอิทิยวาปุริสัมติงปุริสัสวาอิทิมะติงชายตาเนวาชาวรตาเนวาอันตมัสโอตังขันิกายปิสังขติเซโซยสัญญาจิกายาปนาภิกุณาคุติงการยะมาเนนะ อัสซ er no ้มิกังอัตุเทสังประมาณิกากาเริตาภานตัตฤทธังประมาณนางทีกซอทวะทสาวิทัติโยสุขตวิทัติยาติฤยาสัตตันตราปิคุอภิเนตภาวัตถุเทศนายาเตหิปิคุหิวัทุงเทเสตพังอนารัมพังสปริกกมณังสารมเพเจปิคุวัตุสมงิงอปริกกมณีสัญญาจิกายักุติงกะราหียา พิโควะอนภิเนยวัตุเทศนาหายะประมาณังวอติการมยสังขารทิเซโซมหัลลกัมปนาภิคุณาวิหารังการยะมานเอนาสัตสัมมกคังอตุเทสังพิโคอภิเนตาพาวัตุเทศนายาเตหิพิโคหิวัทุงเทเซตพังอนารมพังสปาริกัมมณังสาลัมเพเจพิโควัตุสมิงอปริกกัมเน มหลังวิหารังการยาภิคุวาอนาภินนยวัตุเทสนายสังาธิเซโซยโอบนาภิคุภิคุงทุสทโ ท, โ, ทโสอ ป, ปติโตอมูลเกนะปาราชิเกนะธัรมเณนะอนุทังสะเอียาอาเปวนาม า, าอิมมหาพระมจริยาจาวยันติตะตโตอปเรนะสมเยนะ สมนธค่ะียะมานวะอาสมนุค่หียะมานวาอมูลกั a เจวะตังอธิการนังโหติภิกขุจะโทสังปฏิทธาติสังขาธิเซโซนยโอปนาภิกขุภิกขุงตุทโทโทโสอปปติโตนอัญญภาคยัสสะอธิกรณัสสะกินจิเทสังเลสมตังอุปาทายาปาราชิเกเณธรเมเณอนุทังเอีย อเปวะนามาณังอิมมัมาพระมัจริยาจาวัยันเตตัตอัปเรนัสมเยนัสมะนุขหิยา manoah a man hm man s man a m ja a n u k a h า i y a manoah น n y a p a เจวะตังอธิการังโหติโกจิเทโสเลสมโตอุปาทิโนนภิกขุจะโธสังปฏิทธาติสังขารติเซโซยโอปนาภิกุสมััสสะสังคัสสะเพทาญาประกมฮยย เพทนาสังวัตนิกังวาอธิการนังสมาทายปัคไหหติทายาโสภิคุภิคุหิเอวมัสสาวชนิโยมาอายสัมมาสัมกสสะสังกสสะเพทายาปรกระมิเพถนาสังวัตนิกังวาอธิกรนังสมาทายปัคไหหัธาเสสเมตายาสมาสังเขนสัมโคหิสังโคสมุธมานนอวิวัฒมานเอกุุเทโสภาสวิหรติเต เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวตจมาโนุตเทวะปะขันให้อิยาโซภิกขุภิกขุหิยาวะตติยังสมานุภาสิตัพโหตัสสะปตินิสัคขอายะยาวะตติยังเจสมานุภาสิยะมาโนตังปตินิสัจชายะอิเจตังกุสลังโนเจปตินิสัจชายะสังขติเซโซนตัสเสวะโคปนนภิกขุสาภิกขุโหติอนุวัตตกาวะขวาธกา เอกวาทเววาทยวาเตเอวังวทเทหิยุงมาอายสัมันโตเอตังปิคุงกินจิอวจุดธาธรรมวาทีเจโซปิขุวินิยวาทีเจโซปิคุอัมหะกันเจโซปิคุฉันทัญจะรุจินจะอาทายะโวูหาติชานาติโนภาสติอัมหะกัมเปตังขมาติติเตปิคุปิคุหิเอวามัสวัชณียา มาอายสัมมันตุเอวังอวัจุธานาเจโสปิคุธรรมวาทีนาเจโสปิคุวินยาวาทีมาอายสัมมันตานํมปิสังฆเพโทรุจิตธาสมตาอยสมมันตานังสังเขนสมักโคหิสังโฆส ม, มุธมาโนอวิวัตมาโนเอกุเทโสภาสุวิหรติเตเอวันจะเตปิคุปิกคุหิอุ จ, จมานาตัเทวาปการให้อยง เตปิคูปิคูหิยาวตติยังสมเนปภาสิตภาภัสสะปตินิสัคขายายาวะตติยันเจสมเนปภาสิยะมานาตังปตินิสัชเชียยุงอิเจตังกุสลังโนเจปัตินสัชเชียยงสังขติเสสนปิขุปัเนวัตุปจชาติโกโหติอุทเทศะปริยาปัเนสุสิก้าปะเทสุภิคูหิสหะธรรมิกัง วุจมานอัตานังอวจเนยังคารติมามังอายสัมันโตกินจีอวจุทธากัลยาณังวาปาปะกังวาอหัมปายสัมันเตนะกินจีวะคามีกัลยาณังวาปาปะกังวานวิริมาธายสัมันโตมามวัจชะนายาติโสภิกขุภิกขุหิเอวมะสาวัจเนย มาอายสมมาอาตนางอวจนนยังอกาศิวจเนยเมวะอายสมมาอาตนางคโรโตอายสมมาปิภิคุวะเทตสหธรรมเอนาภิคุปิอายสัมันตังวคันติสหธรรมเนาเอวังสังวัตถิตัสสะภควาโตปริสายติทางัญญะมัญญาวัจเนนะัญญะมัญญุทาปเนนอาทิ เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิุจมานตัทธิวะปักขันให้ยาโซภิกขุภิกขุหิยาวะตัตยยังสมานุปัสิตาภตัสสะปตินิสขะอายะยาวะตัตยยันเจาสมานุปัสสิยะมานตัมปตินิสัจชายะอิเจตังกุสลงโนเจปตินิสัจชายะสังฆาติเซโซนภิกขุปเนวะอัญะตระรังคามังวานิคามังวา โอปณิสัยยวิหรติกุลธโทสโกปาปะสมาจารนตัสสะโคปาปะกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจากุลานิจะเตนะตุธาเนทิสันติเจวสุยันติจาโสอภิโกภิโกหิเอวมัสสวัจณียนอายสัมมาโคกุลธโทสโกปาปะสมาจารนอายสัมมาโตโคปาปะกาสมาจาราทิสันติเจวสุยันติจา กุลันิจัยสมัติทุธานทิสันติเจวสุเหิยันติจาปกามตายาสมาอิมมหาอาวาสาอาลันเตอิทวะเสนะอาติเอวันจัสรปิคุปิคุหิอุจจมาโนเตปิคุเอวังวัฏใหียชนาคามิโนจปิคุโทสคาเมโนจปิคุโมหคามิโนจปิคุพยคาเมโนจะปิคุตาทิสิกายอาปติยาเอกจังปภาเชนติ เอกจังนภาเชนตีต so, ีโสปิโกปิโกหิเอวมะสาวชนิยโยนมาอิสสะมาเอวังอวัจฉาณจปิโกชันคามิโนะจปิโกโทสคามิโนณจปิโกโมหคามิโนณจปิโกพยคามิโนนอิสสะมาโกกุลโทสโกปาปสมาจารูอิสสะมโตโกปาปะกาสมาจรา เทสัมเทเจวสอยยันติจารุลานิจายสมาตาตุธานิเทสัมเทเจวสอยันติจาปกมตายาสมาอิมมหาอวัสะอัลันเตอิทวเสนอาติเอวันจัสรุภิกขุภิกขุหิอุจมาโนตัทธวาปะขันให้อิยาโสภิกขุภิกขุหิยาวาตตยังสมานุปัสิตโพตัสปะตินิสัขอายา ยาวะตติยัเจสมนุาสิยามนุตังปะตนิสัจชายาอิเจตังกุสละนโนเจปะตินิสัจชายสังาติเซโซนอุทิท h อายะสมันโตเตระสะสังาติเซสาธรรมานวะปถมาปติกาจัตตารโยยาวะตติยกางเยสังปิัญยาตรังวะัญยตรังวะอาปัจจิตวายาวะติหังชานังปติชาเทติ ตาวติหังเตนาพิกุณาอากามาปริวัฒพภังปริวัฒนปริวาเสนาพิกุณาอุตริงชาวรตังพิกุมาณตายะปฏิปัชิตพังจินนามานโตภิกุยะถาสิยาวิสติขโนภิกุสังโฆตัฏฐโสพิกุอภเพตโพเอเกนะปิเจอุโนวิสติขโนพิกุสังโฆตังพิกุอภัยยาโสเจภิกุอนภิโต เตจจพิโคคาไรห้าอยังตัทธสามเอเจตทายสมันเตปุชามิกจิตถาริสุทธาโตติยมปิปุชามิกจิตถาริสุทธาตติยมปิปุชามิกจิตถาริสุทธาปริสุทธิธาายสมันโตตัสมะตุนหีเอวเมตังธาริยามิสังาติเสสุทเิโสนิทิตโตอิน อิเมขปนายะสมันโตทเวอเนยยะตาธรรมาอุเทสังอาคตชันตเตโอปนาปิกุมาทุคาเมนะสตถิงเอกโเอกายระหโอปฏิชนีอสเนอลังกามนิเยนิสัจังกปะเฮียตะเมนังสัทธายวัจสาอุปาสิกาติสวะตินังธรรมานังอัญยตาเรณวัทเฮียปาราชิเกนวะสังขติเซเซนวะปาจิตติเยนวะ เนสจังเบกุปติชานณมานตินังธรรมานังอัญญตาเรนักาเรตพโหปาราชิกเณวสังขาดิเเสนุวะปาจิตติเยณวะเยณวะสาสะทายวัจสาอุปาสิกาวทัยไหียเตนะโสเิกุกาเรตพโหอิยังธรรมโมอเนียโตนาเฮวะข้อปนาปิตชาณังอาสนังโหตินาลังกัมณียัง อัลันจะขโหติมาตุคามังตุทุลลหิวาจาหิโอภาสิตุงยอปนาปิกูตทถารูปเปอสเนมาทุขาเมนะสทิงเอโกเอกายระหนิสัชังกปะเฮีตาตะเมนังสัทัยวาจัสาอุปาสิกาติสวะาหา์ทวินังธัมมานังอัญญะตเรนวทฏหะฮยสังคาดิสเซนวะปาจิตเยนวะ เนศชังปิกุปฏิชานมาโนทวินังธรรมานังอัญญตเรนะกเรตาโพสังขริเซนวะปาจิตติเยนวาเยนวะสสะไทยเยวยสสะอุปาสิกาวะไทยียาเตนะโสปิกุกเรตาโพอยยมปิธรรโมอเนียโตอุติธาโคอยสมมัโตทเวอเนียตาธรรมาตทาอัยสมมันเตปุชามิกัจจิธาปริสุทธา ทุติยมเปปุชฌะเมกจิธาปริสุทธาตัติยมเปปุชฌะเมกจิตธาปริสุทธาปริสุทเทธาญาสมันโตตัสสมาตุนนหีเอวเมตังทาริยามิอเนยะตุเทโสนิตโตอิเมโคปนาญสมันโตติงสานิสกิยาปาจิตติยาธรรมาอุทธเซงอาคัจฉันติ เนติตาเจวรสัมิงพิกุณะอุปัตตสมิงกัตินีเทสะหาปรมังอาทิเรกเจวังทารีตพังตังอตทิกาไมยโตนิสกิยังปาจิติยังเนติตาเจวรสัมิงพิกุณะอุปัตสัมิงกัตินีเอเอการธรรมปิเจพิกุติเจวเรนะวิปวัสัยยะอัญญทราพิกุสัมมาติยานิสกิยังปาจิติยัง เนติตาเจวรสัมิงพิกุลนาอุปัตสัมิงกัินีเฟิกุโนปเนวะอากาศจเจวรังอุปัชัยยอากังขมาเนนนาพิกุลนาปฏิกะเหตัพหังปฏิกเหตาวะกิพเมวะก care ทับหังโนจัตสปาริปุริมาสะประมันเตนาพิกุลนาตังเจวรังนิกิปิตพังอุนัสปาริปุริยาสติยาปจาศัยย ทตโตเจอุตริงนิคิไปยะสตยยาพิพัชย์สัยยะนิส k กียงปาจิตียงโยปนะพิุอันยติกายาิุนียาปุราณจิวรางทวะปิยวรชะปิยาวอากุตาปิยานิสักียงปาจิตยงโยปนะพิุอันยติกายาิคุนยาหัตโตจวรางปิคันใหยอันยตระปริวตตกาณิสักียงปาจิตียง โยปัญภะิคุอัญญาตักังคหะปติวะคหะปตานิวันจีวรังปิญญาปยะอัญญตระสมัยนิสักขิยังปาจิตยังตถาอย่างสมโยอชินนาจีวรวาโหติพิคุณัฏฐจีวรัวอายังตถาสมโยโอตัญเจอัญญาตโกคะหะปติวะคะหะปตานิวันหุหิจีวเรหิอภิหัตุมปวารายะ ทันตุรุตระปรมันเตนาพิกุณตตโตจีวังสาติตพังตตโตเจอุตติงสาติยยนิสกิยังปาจิติยังพิกุงปเนวะอุติสะอัญญตกัสสะหะปะติสวาคหะปะตานิยาวังจีวระเจตาปะนังอุปภัตตังโหติอิมินาจีวรเจตปเนนะจิวังเจตาปตวอทนามังพิกุงจีวเรนะอัชาเทสะมิติ ตตระเจโซภิกขุภูเพอปวาริโตอุปสสังกมิตวาจีวเรวิกะปังอปาชัยยะสาธุวตมัะอายะสมะอิมินาจีวรเจตาปเนนาเอวารุป e ังวะเอวรูปังวาจิว e รังเจตาเปตวะอชาเทหิติเกลียณากรรมยตังอุปาทายะนิสักยังปาจิติยังภิกขุปเนวะอุทิศอุพินนังอัญญาตกานัง ขหาพตีนังวาข้าพตานณินังวปะปัจเจกจิวระเจตาปนาอุปัคขาหุน่นติอเมหิมะยังปัจเจกจิวระเจตาปเนหิปัจเจกะจิวร า, านิเ จ, า จ, าจตาเปิตวาอิทัณนังปิกุงจีวเรหิอาชาเทสามอาติตตระเจโสปิคูปุเพออปวาริโตอุปสังกมิตาวาจีวเรวิเกปังอปัจชายา สาุวตมังอายะสมันโตอิเมหิปัจเจกจิวรเจตาปเนหิเอวารุปังวาเอวารุปังวาจิวรังเจตาเปตวันอาชาเททธาอภูวสันตาเอเกนาติเกลยานะกเมยตังอุปาทัยนิสกิยังปาจิตยังพิกุงปเนวะอุทิศราชาวาราชาพโอโควาพระมณนวะขะปติโกวะทุเตนะจิวราเจตาปนังปะหินะเอีย อมินาจิวรัเจตาปเนนาจิวรังเจตาเปิตวะอทัณ น, นัมังปิกุงจิวเรนาอาชาเทหิติโสเจตุโตตังปิกุงอุปสังกมิตวาเอวังวายยาัฏไหยะอิทังโพพันเตอายสัมมตังอุติสะจีวรัเจตาปนังอาภตังปฏิคันหาตุอายสัมาจิวรัเจตาปนันติเตณปิกุณาโสทุโตเอวมะสาวชนิยโย น า, า, าโคมอย่างอาวุโสจีวรัเจตาปนังปฏิคันห้ามะอาจีวรัญญาโคมอย่างปฏิคันห้ามากาเลนะกัปยันตีโสเจโทโตตังปิกุงเอวังวัดเฮียอธิปนาญาสมันโตโกจิวยาวัจาการโอตีจีวรัิเกนาภิกเวภิกุนาวิยาวัจการนิทิสิตาโพ อารามิโกวาอุปาสโกวาเอโซโคอุโซภิกขุนังวิยาวัจจกรโรตีโซเจทูโตตังวิยาวัจจกังสัญญาเปตวานตังภิกข o อุปสังกมิตวาเอวังวัฏไหยายยังโคพันเตอาญสมะวิยาวัจจกังนิทิสิสัญญโตสมยาอุปสังกมโตอาญสมะกาเลนะจีวเรนาตังอาชาเทสติเต จีวรติเกณะภิกขเวภิกขุนาวิยาวจจการน์อุปสรงคมิตาวาทเวติขดตรงโจเทตโอสาเรตพโออัตโทมิเอาโซจีวเรนาติเทวติขดตรงโจทยะมาโนซาเรยะมาโนตั้งจีวรังอภินิพากยยาอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพากยไถยาจะตุขตงบัญญัติขตรงชาขโตุประมังตุนเฮฟุเตนะอุติสัทถัง จัตุกขตุงปัญจขตุงฉะขตุประมังตุนเฮพูตุนอุทิศติฐะมโนตังจีวรังอภินิพากท์ใยอิเจตังกุศลังโนเจอภินิพากท์ใยตถโตเจอุตตริงวายมามโนตังจีวรังอภินิพากย์ให้ยะเนสักยังปาจิตยังโนเจอภินิพากย์ใยะยะตาสานจีวรเจตาปนังอาภัตังตัฏฐะสามังวาคันตพัง ทูโตวาปาให้ตับโพยังข้อตุ้มให้อายสัมมันโตปิกุงอุติสะจิวระเจตาปนังปะเหินิธาหน้าตันตสสาภิกโนกินจิอัททังอนุโพติยุนชันตาเยสมันโตสกังมาโวสกังวินัสสิติออยังตัตตาสมาจีจีวรวะโขปธรรมโยปนะปิกโกโกสิยมิตสกังสันทตังการาปยันิสกิยังปาจิติยัง โยปันนาภิคุสุทธกาลกาณังเอลกโลมานังสัณฑตังการาปยานิสักิยังปาจิตยังนวํมปันนาภิคุนัสันฑตังการยะมาในเนาทเวภาคาสุทถกาลกาณังเอลกโลมานังอาธาตพันตติยังโอทาตานังจตุทั้งโคจริยานังอนาธาเจภิคุทเวภาเคสุตถกาลกาณังเอลกโลมานัง ตติยังโอทาตานังจตุทังโคจริยานังนวังสันทังการาปยานิสักิยังปัจจิตยังนวัมปนาภิกุณาสันตังการาเปตวังชาัสสันิทเรตาพังโอเรนเจชนนังวัฏสันนังตังสันทังวิสาเชตวาวาอวิสาเชตวาวาอันยังนวังสันทังการาปัยา อันญตราไปกุสมติยานิสกิยังปาจิตยังนเซธนาสันตตมปนาภิกุณาการยะมานเอนาปุราณสันตัสสะสมันตาโสขตวิทัติอาถาตภานทุพันนกรณายะอนาถาเจพิกปุราณสันตัสสะสมันตาโสขตวิทัตทิเงวังนเซธนาสันถตังการไปยนิสกิยังปาจิตยัง พิุโปเวอาานมคคติปนสสเอลัโลมานิอุปัชยยงอาคังขมาเนนาพิคุณาปติกเหตัานีปฏิกเหตวะติโยชนะปรามังสหัทธาหเรตัพหานีอาสันเตหะรเกตโตเจอุตริงหะไรยะอาสันเตปิหรเกนิสักยังปาจิตยตงยะโอปนาปิคุอัญญาติกายะพิคุนียัง เอลกโลมาเนทวาปเยวารชาปยวานเวชตาปเยาวานิสักขยียงปาจิตตียงเยอปนาเปโกชาตารูปราชาตังโอขันใหยวะอุขันห้าปเยวานโอปเิยยาากิตตังวาสาธิยยญายิสักขยียงปาจิตตียงเยอปานาเปโกนาณปการกังรูปียสังโหวะรังสมาปัชัยญาิสักขยียงปาจิตยียง ยอปัญญาปิโณะนบกกาังกายวิกายังสมาพาชยะนิสักยังปัจจิตยังโกสียวะโคตุติยนทัศหาคะมมันอาทิเรกปฏตหเรตภนตังอติกาไมยโตนิสักยังปาจจิตยังยโอปัญญาปิโณปัญจพันธ์เอนาปัตเณนาอันยังนวังปัตตังเจตาปยะนิสักยังปัจจิตยัง าานัิภาาิกุนัสโปภาตโตภิกขุานานกปริสายนิสัชิต t t a p โยจตสสาวภิกขุปาริสายปตตาริยันโตโสจตัสสาภิกขโนปทาตโพลยันเตภิกขุปโตยาวเพทนายทาเรตโหติอยังตถาสามีจิญานิขปนตานิขิฬานังภิกขุนางปฏิสัยนิญาิเพสชฌานิสยทีทาง สเปนวะกนี่ตังแตลังมตุภานิตัง้งตานีป้ปติกะเหตุวาสัตยาห์ p a มังส น, นิทิการะคังบริพุนจิตภาพนิตังอาิกามัยโตนิสขี่ยังปะจิตติยังมาโซเซโ ซ, ซคิมหานันตีพิกุนาวาสิกาสาธิกะจิวรังปริเยสิตพังอธรรมาโซเซโซคิมหานันตีกัตาวาเนวสีตพัง โอเรนเจมัโซเซโซคิมฮานันติวสิกาสติกาจีวรังปรียาโสโยโอเรนธมาสซเซโซคิมฮานันติกตวานิวาสยานิสัขิยังปาจิตยังเยหอบนนาเิกุปิคุสะสัมังเจีวรังทัตตวากุปิโตอนนตัมโนอาชินทยวาอาชินหาปิยวานิสักขิยังปาจิตตยัง โยปนะปกสามังสุตังวิญญาเปตวาตันตวยเยหิจีวรังวายาปยานิสักียงปจิตียงภิกขุงปเนวะอุทิศัญญตะโกขะหะปติวาขะหะปตาเนวะตันตวยเยหิจิวรังวายาปยาตัตตเจโซเปโกภูเพอปวาริโตตันตวยเยอุปสังมิทวเจิวเรวิกกัังอปะชยยะ อีทังหอาโสจิวรังมังอุติสวียติอยตัจะกรวัฒิตตัจัอภิตัจสวิตันจะสุปวัจิตันจสวิเลกิตันจสวิตัจจิตันจกรวัอภวนามะมยัมปอายสัมันตานังกิจมัตตังอนุปัฏชยามติเอวันจัสภิกขุวัตวากิจมัตตังอนุปัฏชย อันธมะโสาปาธรมะตมปีนิสักจิตยังทสฐ a นะคตังคติกาเตมาสิปุณณะันพิกุโนปเนวะอเจเจวรังอุปชัยยะอเจคังมัญมานนะพิกุณาป t ิกขะเหตัังปฏิกะเหตวายาวเจวระกาลสเมงนิกิปิทััตโตเจอุตรินิกิปัยานิสักยังปะจิตยัง ปุพวัสสังขพนกติกาปุณณะญาณิขปนาตานิอารัญญการิเสนาสนาเนสัสังกสมาตานิสปติภยานิตทาโรเปสุภิกุเสนาสนีสวิหารตุลอักังขมโนตินังจีวรนังอัญยตังจีวระอันราคเรณิขิปายาสิยาจ ต, าายตัสสาภิกโนกจิเทวปัจโยเตนะจิวเรนามิปปวสัสะอิยา ชาวรัตตปรมันเตนาพิกุนาเตนะจีวเรนะวิปวสิตพังตโตเจอุตริงวิปวสิยยัอัญญตรพิกุสมติานิสัขิยังปาจิติยังโยปะนพิกุชาณังสังขิังลาพังปรินาตังอัตโนปรินามยันิสัขิยังปาจิติยังปัตตวะโคตตยนโอติทาโคอยสมันโตติงสาิสัขิยาปาจิติยาธรรมา ทถาญสมันเตปุชฌะไม่กัดจิตถาริสุทธาโตติยัมปีปุชฌะไม่กัดจิตถาริสุทธาตติยัมปีปุชฌะไม่กัดจิตถาริสุทธาปริสุทธิเทศทายสมันโตตัสมะตุเนหีเอวัเมตังธารยามินิสักยปาจิตติยธรรมานิธิตาอิเมโคปนายสมันโตทเวนวติปานจิตติยธรรมาอุเทสังอาคชาติ สัมบัชานมุสาวาเทปัจจิตียงโอมสวาเทปัจจิตียงเิกุเปสุญเยปัจจิตียงโยปนนาิกุอนุปสัมปันังปัโสทธรรมังวาเจยปัจจิตียงเยปนนาิกุอนุปสัมปันเนนะอุตระิทวิรัตติรัตตังสหัสัยยังกัปปเยปัจิตตียงเยโอปนนาิกุมาทุคาเมนา สหัสยังกับกายปจิติยังยอปนะบุมาดุขหมัสสะอุตระิจพัจาวะชัยธรรมังเทสยอัญยตรวิบริสวิกะเหนะปัจิติยังยปนะเบกุอนุบสัมปันนัสสะอุตริมนุสัตธรมังอารเจยะภูตัสเมิงปัจิติยังย่ปนะเบกุฟิกุสะทตุหลังอาปะติงอนุบสัมปันนสส อารมจยะอันยตตระไปกุสมัติยาปาจิตยังโยปะนาไกุปทวฐานณะเยาวาคณะปยาวาปาจิตติยังมุสาวาทวโคปัโมุนูตากามปาตพยตายาปาจิตยังอันเยาวะทกแกวะเห้สแกปาจิตยังอุชาปะนากขีณาแกปาจิตยังโยปะนาไปกุสังหิกังมันจังวะ ปีท ik ั้งวาปีสิงห์วากชังวาอชกัเซสันริตตวาวาันธราเปตวาวาตังปะกมมันโตเนวะอุทรยะนอุทราปยะอนาปุชังวากัดชยกปาจิตติยังโยปนภปิกุสังที่เกวิหารเอยังสันธริตตวาวาสันธราเปตวาวาตังปกมันโตเนวะอุทรย นาอุทธราปยะอนนาปุชังวาคัจชยะปัญจิติยังยอปนาภิกุสังขิเกวิหะเรชานังปุพพุปะกตังปิกุงอนุปัจจคชัสยังกลับปัยยะยาสสะสัมผาโทภวิสติโสปะกมิสติเตเอตาเทวะปัจจยังกฤตเทวะอนันยังปัญจิติยังยปนาภิคุปิกุงคุปิโตอนัตตมนน สังขิกาวิหารานิกัตไยวานิกัตฮาปยาวาปาจิตติยังโยอบันนาิโกสังิีเกวิหะเรอุปริเวหะสกุติยาอาหัจจะปาทกังมันจังวะปีทั้งวาอภิปนิสีทยาวะอภเนิปัชย์ยวะปาจิตติยังมหลกรมปันาปิกุณาวิหารังคารยมาเนนายาวะทวารโกสะอคลลัตนายา อาลกคสังเทป a r ก kamaya ทวเติจานัสสะป a r i y a ยังอภาริเตติเตนะอทิต h a t h a p a ตตโตเจอุตริงอหาริเตปิติโตอทิตเยะปาจิติยังโยปนะเบกุชางสปานัังอุธะกังตินังวามัติกังวาสินจจยาวาสินชาปเยวาปาจิติยังภูตคามวะโคทุติโย โยปนาเปคุอาสมตโตภิกุนิโยโอวทัยยปาจิติยังสมโตปเจปิกุอาทังคเตสุริยปิกุนิโยโอวทัยยปาจิติยังโยปนาเปคุปิกุณูปัสยังปัสสังกมิตวาภิกุนิโยโอวทัยยอัญจตระสมยยปาจิติยังตถาอยังสมยโยขิลนาโหติปิกุณีอยังตถาสมยโย โยปนภิบกุเอวังวะไทยยังอมิสะแหตุปิคุปิกุณียโอวะทันติติปาจิติยังโยปนภเบกุอัญญาติกายาปิกุณียาจีวรังททัยยะอัญญตระปาริวัตตะขะปจิติยังโยปนภเบกุอัญญาติกายาปิกุณิยาจีวรังสิภพยวะสิภาเปเยวะปจิติยังโยปนภิบกุปิกุณิยะสัทหิง สังวิทยะเอกขานนามังคัติปัจชยาอนมะโขามันตรัมปอันยตระสมยาปาจิตยังตทธายังสมยโสัทคมันิโยโหติมกโกษาสังกัป ส, ส, สัมตส ป, ปติภโยอยังตัทธสมยโยโยปนาปิกูปิกุนยิยัสทิงสังวิทเยเอกังนาวังอภิรูไหยัง พุทธคามิ่งวาอะตมคามิ่งวาอัญญตระติริยันะนายปาจิตติยังเยโอปนาเปกุชานังภิกุเนปริปาจิตังเป็นปาตังปุญชยยะอัญญตระปุเพกิหิสมารัมพาปาจิตติยังเยอปนาเปกุภิกุนิยสัทหิงเอโกเอกายะโรนิสัชังกปายาปาจิตยังโอวาทวโคตติโย อคิลาในนาภิกุณาเอกโออวสสะพินンドปุญจิตตโพตตโตเจอุตริงพุญชยปาจิตตยางคณะโพชเนอัญยตรสสมยาปาจิตตยางตถาทายังสมโยคิลานสมโยจีวรธานสมโยจีวรกาลสมโยอัฐานคมนสมโยนาวาเพรหณสมโยมหสสมโยสมณภัตตะสมโยอายังตัทธสมโย ปรามบรพโชนอัญยตรัสมิยาปัญจิติยังตถาทายังสมโยคิลานสมโยจิวรธานสมโยจิวระการสมโยอยังตถสมโยภิกขุมปเนวกุลังอุปคตังปุเอหิวันมันเทหิวะอภิหทมภวารรยาอกังคมาในนาภิคุณนาทวิติปัตตะปุราปติกเหตถาภะตโตเจอุตริงปฏิคันให้ย่ปัญจิติยัง สวัสดีปัตตากุเรประติเกเหตวันท่านตนหิริตวภิกหุหิสติงสังวิภาจิตตพังอยังตตสะมิจิเยอปนภิกขุพุตาวปวริตอนนาเตริตังฆาทนียังวาโภชนียังวาฆาทยวาปุญชยวาปาจิตยังเยอปนภิกขุภิกขงพุตาวิงปวาริตัง อนาเตริเตนะขาท่นนานิเยนาวาโพชนิเยนาวาอภิหัตทมปวารอียาหันทาภิกขุคาท้าวาปุญชาวาติชานังอาสาธนาเปโขพุทธตสมิงปาจิตยังโยปนภิกขวิกาเลขาท่นานิยังวาโพชนิยังวาขาทยาวาปุญชยวาปาจิตยังโยปนาภิกขุสัมณิติกาลังขาท่านยิยังวาโพชนยิยังวา คาทยาวาปุญชยวาปัจิตยังญาณิข้าปณะตานิปนิตาโพชนานิสัยทีทางสปินวะเนตังเตลังมัตตานิตังมัจโจมังสังครังทัิเยวปณะปิโเอวะรูปานิปนิตโพชนานิอกิลานอัตโนัตายวิญญาเปตวพวาปุญญยะปาจิตจิตยัง โยปณะิบกุอัตินางมุขทวารังอาหารังอาหารยะอันยัตระอุตตะกัตันตะปนัปาญจิติยังโภชนาวโคจตุทโยโยปณะิบกุอเจลกัสวาปริภาชกัสวาปริภาชิกายวาสหัทธาคาตันียังวาโภชนียังวาทัทยะปาญจิติยังโยปณะเบกุเอวังวัฏยา เอห่วโซขามังวานิขมังวาเปินนายะปวิสิตสามาติตัสสะทาเปตววาอัธาเปตววาอุโยชัยยาขะชาวโซนุเมตยาสัตถิงกะทวานิสัจชาวะพาสุโหติเอกกัสเมกะทวานิสัจชาวะพาสุโหติติเอตตาเทวปัจจยังกฤตตวะอนันยังปาญจิตติยังโยปนะเบโุสโพจนกุเล อโนคักขชานิสัชังกปยะปาญจิติยังโยปนปิโกมาดุขาเมนะสัทหิงระหุปติชันในอสันเนนิสัชังกปยะปัญจิติยังโยปะนาปิโกมาตุคาเมนะสัทหิงเอกเอกายะระหนิสัชังกปยะปัญจิติยังโยปะนาปิโกนิมันติโตสพัตโตสมานน์สัมตังปิคุงอนาปุชาปุเรภตังวาปัชชาภตังวา กุเลสจาริตังอาปัจชะยอัญญัตระสมยปัญจิตยังตถาทัอย่างสมโยจีวระานสมโยจิวรการสมโยออย่างตถสมโยอนอคิลานินาภิคุณนจัตมาสปัจจยปวรณาสัตติปภอัญตระปุนาปวารณายะอัญญตระนิจจปวรณายะตตโตเจอุตริงสัตติยะปัจิตยัง โยบนาบิกุอุยุตังเสนังทัศนายักขเชียาอันยัตระตททารูปปัจจียาปาญจิตติยังสิยาจตัสสะพิกุณโกจิเทวปัจโยเสนังขมนยาทวีรตติรัตตังเตนาพิคุณาเสนายวสีตาภตโตเจอุตตริงวัสยยาปัญจิตยังทวีรตติรัตตังเจพิคุเสนายวสัมโน โยที่กังวาพละกังวาเสนาพายุฮังวาอานกาทัสนังวาขัดเชยยปาจิตติยังอเจลกวาโคปัญจโมอุสุราเมริยปาเนปาจิตติยังอังคุลิปโตทัเกปาจิตติยังอุทเกหัสสะธรเมปาจิตติยังอนานธรเยปาจิตติยังโยปนาภิโกภิคงผิงซาปยปาจิตติยัง โยปนะเบกุอกิลาโนวิสิวนาเปคโชติงสมัติให้ยวาสมัติฮปิโยวาอัญญตระตัทธารูปปัจเจียพันจิติยังโยปนะเบกุโอเรณธรมสังนะหยยยอัญญตระสมยญาจิติยังตัทธายังสมโยธิยะโทมัสโซเซโซคิมหานันติวสชานสะปัโมมาโซอิเจเตอธาตยามาสาห์ อนหาสมิโยบริลาหะสมิโยขิฬานะสมิโยกามมะสมิโยอัฐานะขมะนะสมิโย ว, วาตาวุตติสมิโยอัยังตัทธะสมิโยนวันวัมบนาภิกุนาจีวรละลาเพนาตินังทุพนนานาันนักรณานังอัญญตาลังทุพันนักกรณังอาธาตับหงังนิลังวากัตมังวากาลาสามังวานานาทาเจภิกุตินังทุพันนักกรณานางัง อันยัตต์เราทุกคนก็เระนังนวังจีวรังบริพุนเชียปะจิตติยงังโยปนะปิกุปิกุสสาวภิกุนิยาวาสิขมานายวาวะสมเนรสาวะสามเนริยาว า, ส า, วาสามังจีวรังวิกัาเปทวะอปัจจุธารังปริพุนเชียปาจิตติยงังโยปนะปิกุปิกุสสะปตังวะจีวรังวานิสิทนังวาโสติครังวากายพันทนังวา อปาณิทัยยวะอปาณิธาปยวะอันนามัสสหัสสะเปโกปิปาญจิติยังสุราปานวะโคชะโทอเยโอปะนะเปโกสังจิตจักปานังชีวิตาบโรปายปาญจิติยังเยโอปนะเปโกชานังสปานกังอุทะกังบริพุลเชียปาญจิตติยังเยโอปะนะเปโกชาณังยะธาธรรมังนิหตาธิการังปุณกามายะอุโกตยปาญจิติยัง ยีโอปนาเปโกปิกุสะชานังตุตุลังอาปะงปฏิชาทยะปาญจิติยังนี้โอปณนาเปโกชานังอนวิสติวสังปุคหลังอุปสัมปาทัยยะโสจะปุคโลอนุปสัมปันน์น์แต่จะเปโกขาไรห้าอีทางตัสมิงปาญจิติยังนีโอปนาเปโกชานังทายาสเถนาสัทิงสังวิทยเอกธานมคกังปฏิปัชยย อนัมสกขามันตรัม so ปิตางจิติยังเยปนาบิคุมาดุคาเมนะสัทิงสังวิทยาเอกทานมังคังปริปัช e ย์ยัอนัมสกขามันตรัมปิตาจิต so ิยังเยวปนาบกคุเอวังวัฏยังตถาหังภควัตตาธรรมังเทสิตังอาชานามีเยธาเยเมอันตรายิกธรรมาวุตตาภควัตาเตปฏิเสวะโตนาลังอันตรายายาติ โสภิคุภิกคุเห็นเอวมัสสวัจเนยไมสมาเอวังอวจามาพระกบาลตังอภ aja คีนั่นิสาตุพระกวะตต่ออภคะนังนั่นิพระวาเอวังวัฏยาอเนกปริยาเยนเอาโสอันตรายิกาธรมมวุตตาพระกวาตัอลลัญจะพนัเตปิเสวะต่ออันตรายยาติเอวันจะโสภิคุภิคุเห็นวุจมาโนตเทวประคันให้ โสภิกขปภิกขุยยาวะตั้ริยังสัมโนภาพิตาภวทัะตินิสัจชายยาวะตัติยัเจสัมโนภาพิยะมโนตังะตินิสชยะอิเจตังกสลังโนเจพะตินิสชายะปัจิติยังโยปนะภิกชาณัตถาวาทินาภิกขุนาอกตานุธรรมนณตังเดถิงอาตินิสัทะนัสัถิงสมพุญชายวาสังวัสยวาสหะวัสยังกัปยะปาจิติยัง สมนุตเทโสปิเจเอวังวัฏหายาตถาหังภควัตตาธรรมังเทสิตังอาชานามิเหยาทาเยเมอันตรายิกาธรรมาวุตตาภควัตตาเตปริเสวะโตนัลังอันตรา ย, ยาญาติโสสมนุตเทโสปิคุหิเอวมะสาวัจญิโยมาเอาโสสมนุตเทสะเอวังอวัจจะมาภควันตังอภาจิกิ นาหิซาโตภควตโตอปะขานางนหิภควาเอวังวัฏยาอเนกปริยาเยนาอวสโสสัมนุตเทสาอันตรายกาธรรมาวุตตาภควตะอัลันจันาเตปฤิเวตตันตรายยาตเอวันยโสสัมนุตเทโปิคุหิวจมาโนตเทหะวะปะขันใหยะโสสัมนุตเทโปิกุหิเอวมัสสวัจณยออาชตะเคเตอวโสสมนุตเทสา นาเจวะโซภควาสัทถะอาปาทิสิตาโพยัมปิจันเยสัมโุตเทสลรพันติภิกขุหิตสติงเทวิตตติรัตตังสหัสยังซาเปตนัติจระเปเรวินัสาติโยปนาภิกขุฉานังตถานาสิตังสมโุตเทสังอุปละปเยวะอุปถาปเยวะสัมพุญชยวาสหะวาสยังกับปยัปปจิติยังสปานวะโคสตมุล โยปนนาภิกขภิกขหิสหธทำใหการวุฒิมาโนเอวังวัฏทยะนาตาวังอวสโซเอตสเมสิก้าปเทสิกิสามียวะนันยังภิกขุงพยตังวเนยธารังปริปุชาเมตีปันจิติยังสิกมาเนนาภิกเเวภิกุนาอญญาตพังปริปุจิตตพังปริปันหิตพังออยังตถาสามีจโยปนภิกุปาติโมขแหอุทิสมาเนเอวังวทยา กิมิเมหกุานุขุทเคเหสิขะปัเถหิอุทิดเถหหยวัเถวะุคขจยาเวสัยะวิเลขายาสังวัตันตีตีศิขาปัวิวรรณนเกปาจิตยังโยปนะเบคุอันวัฒมาสังปาติโมคเอุติสมานเอวังวัทยาอิธานวะโคอังอาชานามิ อยัิคิระธรโมสุตตะคตสุตตะปริยปนนท์อันวัฒมาสังอุทธสังอาคัตติติตันเจภิคุงอันเยปิกู้ฉันนยงในสินาปุพังอิมีนาภิคุณาเทวติขตงปาติโมกใหอุทิสมาเนโกปนวโทพโยตินาจตัสาพิคุนอันญาณเกณามุติอธิยัญจตัถะอปติงอปนนตันจยธาธรโมกเรตพน อุตร um e. ินจะสมโหอารเปตภพโหทัเตอสุอลลาภะทัศเตทุลลังยังตวังปะติโมคใหอุติสมานีนาสัตตุกังอธิคตวามนาสิกโรเีติทังตาสมิงโมหะเกปาจิตยังโยปนาเบโคปิคุสกุปิโตอนัตตมโนปะหารังตไทยยะปาจิตยังโยปนาบโคปิคุสกุปิโต อนัตมโนตละสติกังอุคิรรยพันจิตยังโยปนาปิกปิคงอมุลเกนะสังขาริเซสนะอนุทังไะยพัญจิตยังโยปนาปิกกปิคุสาสนจิตจกกุกุจังอุปัฏฐะใหียอติสามหุตัมปิอภาสสุภวิสติเตอตาเทวพันจยังกฤตวะอนันยังพันจิตยังโยปนาิกกปิคุนังพันธนะชาตานัง กะลาหาชาตานังวิวาฒาปันานังอุปัสชุติงติดทห้ยายังอเมผานิสันติตังโสสามิติเอตตาเทวปัจยังกฤตตาอานันยังปาจจิตยังเหยอปนาปิกุธมิการนังกมานังชนทังทัตตาวะปัจฉังิยนาธรรมอปัจชัยปาญจิตยังเหยอปนาปิกุสังเขวินิชยากทฏฐาวัตมานายยะ ฉันทางอัตตวาอุทายาสนาปัจมยปาญจิติยังโยปนปิโสมเขสังเขนะจวรังทัตวปัจฉันกิยณธรมังอปัจชัยยยธาสันถุตังปิโกสังกิกางลาภังปรินาเมนติปาจิติยังโยปนาปิโกชาณังสังกิกาลาภังปริณาตังปุขละสะปรินามียปาจิติยังสหธรรมิกวโคอัตถม โยปนภปิโุรันโยคติยาสามุทาภิสิตัสสาอันิคัณตระายเชเกอันิขตารตนเกปุเพอปติสังวิริโตอินทขิลังอติกามยัปาญจิตติยังโยปนภปิโุรตนังวารัตนสมตังวาอัญยัตระอัจารมาอัจาวัฏาวาโอคันให้ยวาอุคนหาปเยวาปาญจิตยังรัตนังวาปนาภิกุณารัตนสมตังวา อาชาราเมวะอาชาวัเทวะโอคเหตตวาวะโอคันห้าเปตวะวาเนกิปิตพังยะสักวิสติโสหริสติติอายังตัดถาสามเอเจโยปนาเบกุสันังบิคุงอนาบุชาวิกาเลกขมังปวิสัยยะอัญญตระตาธารูปาอาชายิกากรณียาปาจิตยังโยปนาเบกุอาทิไมยังวาทันตมยังวะ วิษณนมายังวาสุจิขะรังการาปยะเพเทนักังปาจิตติยังนวํมปนาปิกุณามันจังวาปีทั้งวาการยะมาเนนะอัังคุลปาทัิการะเตปังสุขะตังคุเลนะอัญญตาระเหติมายะอัตานิยาตังอติกามมยโตเชตนกังปราจิตยังโยปนาปิกุมันจังวาปีทั้งวาตโลนะทังการาปยะอุทาลนกังปาจิตติยัง ในสิธนสันตตัมปนาภิกุณาการยะมานนัประมาณิกังการตับหังตัตริตังประมาณังที่กโซทเววิทัทถิโยสุขตะวิทัทถิยาเตอริยังที่ยัตังตสาวิทัตถิตังอติกามยโตเชธนากังปัจิตียงกันดูปฏิชาทิงปนาภิกุณาการยะมานนัประมาณิกาการะตับหัตตริตังประมาณังที่กัโซจตัโซวิทัทถิโย สุขะตวิทัตถียาติริยังทเววิทัตถิยนตัอติกามยโตเชตนักังปาจิติยังวสิกะสาติกังปนาภิกขุนากาเรยมานีนะปมาณิกากาเรตพพาตตริตังปบามนังทีกโสชาวิทัตถิยสุขะตวิทัตถียาติริยังอทฏติยนตัอติกามยโตเชตนักังปาจิติยัง โยปะนนเบโคสุขตะจีวรปะมานังจีวรังการาภะไอยาอตรีกังวัชเชทนกังปาจิติยังตตริทังสุขตัสสะสุขตะจิวรปะมานังทีกะโซนววิทัติโยสุขตวิทัติยาติริยังชาววิทัติโยอีทังสุขตัสสะสุขตะจีวรปะมานังรัตนวะโคณวโมอุททิท้าโคอายสมันโตทเวนวติปาญจิติยาธรมมา ตถายาติมันเตปุชฌามิกัจจิธาปริสุทธาทุติยมปีปุชฌามิกัจจิธาปริสุทธาตติยมปีปุชฌามิกัจจิธาปริสุทธาปริสุทธิธาญาสมันโตตสมาตุนเหหิเอวเมตังทาระยามิปาญจิตยานิธิตาอิเมขปนาญสมันโตจตารุปาติเทศนิยธรรมอุทเทสังอาคชาอนตติ โยปันภิกุอัญญะติกายภิกุนียาอันตรักขังปวิตาญหัตถะทวขาในยังวาโภชัญในยังวาสหัทธาปฏิกเหตวาค้าทยาวาพุนชยวะปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณาคารัยหั่งเอาโซธมังอาปัจจิงอัสปายังปติเทศนิยังตังปฏิเทเสมีเตภิกขุปเนวากุเลสุนิมันิตาพุนชันเต ตัตตะเจภิกขุณีโวสาสมานรูปาติตาโหติอิทัสุปังเทธาอิทัโอทนังเทธาติเตเฮภิกขุเฮสะภิกขุณีอปัสสะเทตาภาอปสกะตาวะภะเกนิยาวะภิกขุพุ่นชันติติเอกสปิเจภิกขโนนปติภาสิยาตังภิกขณิงอปัสสะเทตุงอปสกะตาวะภะเกนิยาวะภิกขุพุ่นชันติติ ปฏิเทเสตพังเตหิปิคุหิคาริหังเอาโซธรรมังอาปาญชิมหาอัสปายังปาฏิเทศนิยังตังปฏิเทเสมาตยญาณิคปนาตานีเสคัรสมตานีกุลานีโยปนาปิคุตัารุเปสุเศคัสสมเทสุกุเลโสปุเพอนิมันติตโออคิลานโณฆาสนิยังวาโภชนิยังวาสหัธาปฏิเกเฮตวา คาทยาวาปุญญัยวาปฏิเทเสตพังเตนาภิกุณาคาไรหังเอวสุธมังอาปัชิงอสปายังปาติเทตนิยังตังปฏิเทเสมีตีญานิขพนาตานิอารันยการิเสนาสนานิสาสังกัสมตานิสัพติภยานิเยวบนาภิกขุตถาโรเปสุเสนาสนีสวิหรันโต ปุเพอปติสังเวริตังขา้าวท่านอิยังวาโภชันอิยังวาอัชฌาราเมสหัตถาปตะกิเหตวาอาคิลาโนขา้าทยาวุปชัยว า, า, ยวาปฏิเทเสตะพังเตนาภิกุนาคารหังเอาโสธรรมาปจิงอ า, า, างอสปายังปาฏิเทสนิยังตังปฏิเทเสมีติอทิท้าข้ออยสัมมันตจัตตารโอปติเทสนิยธรมมา ตถายสมันเตปุชฌะเมฆาจิทธาปริสุทธาทุติยมเปปุชฌะเมฆาจิทธาปริสุทธาตติยมเปปุชฌะเมฆาจิทธาปริสุทธาปริสุทเทธาญาสมันโตตัสสมาตุนะหีเอวเมตังทาริยามิปาริเทสนิยานิทิตาอิเมขปนาญสมันโตเซคิยาธรรมาอุเทสังอาคชันเตปริมันตลังเนวัสเสสมติสิกากรณียา ปร่มนิลังปารุพิษะเมตติสิกากรณียาสุปติชันโนอันตรคเรขมิสสะเมตติสิกากรณียาสุปติชันโนอันตรคเรเนสสิทิเมตติสิกากรณียาสุสัุโตอันตรคเรขมิสสเมตติสิกากรณียาสุสัุโตอันตรคเรนสสิทิสเมตติสิกากรณียาโอคิตยจอันตรคเรฆมิสสะเมตติสิกากรณียา โอคิติจักูอันตรคเรเนสิทิสัมิติสิกากรณียานาโอคิตกายอันตรคเรขมิสัมิติสิกากรณียานาโอคิตกายอันตรคเรเนสิทิสัมิติสิกากรณียานาอุชากิกายอันตรคเรขมิสัมิติสิกากรณียานาอุชากิกายอันตรคเรเนสิทิสัมิติสิกากรณียาอาปัสทธวอันตรคเรขมิสัมิติสิกากรณียา อปัสสโทอันรคเรนสิทิสะเมติสิฆากรนียนกายปัจจลกังอันตรคเรฆมิสะเมติสิฆากรณียนกายปัจจลกังอันตรคเรเสิทิสะเมติสิฆากรนียนภหุปัจลกังอันตรคเรฆมิสะเมติสิฆากรณียนภหุปัจจลกังอันตรคเรนสิทิสะเมติสิฆากรณียนัสสิสปัจจลกังอันตรคเรฆมิสะเมติสิฆากรณีย นาศีสัปปจลกัอันตรคเรนศีทิศามีติสิกากรณียานาขมภักตอันตรคเรขมิสามีติสิกากรณียานคขมภกตอันตรคเรนศีทิศามีติสิกากรณียานาโอคนิตโตอันตรคเรขมิสามีติสิกากรณียานาโอคนิตโตอันตรคเรนศีทิศามีติสิกากรณียานาอุกุติกายอันตรคเรขมิศามีติสิกากรณียา นาปัลลติกายะอนารเนสิทิสะติสิคกรณยาชพิสติสารูปปังสกัดจังพินนบัตังปติกาเหสะเมติสิคขกรณยาปตสสันยปินนบัตังปติกาเฮสะเมติสิคกรณยาสมสุปังพินนบตังปติกาเหสะเมติทิคกรณียาสัมติติคังพินนบตังปติกาเหสะเมติสิคขกรณยา สกัดจังปินณปาตังพุนชิสาเมติสิฆากรณียาปัตตสันเยปินณปาตังพุนชิสาเมติสิฆากรณียาสปทานังปิณณปาตังพุลชิสาเมติสิฆากรณียาสมัสโซปะกังปินณปาตังพุลชิสาเมติสิฆากรณียานตุปโตอมมะติตวาปินณปาตังพุลชิสาเมติสิฆากรณียานสุปังวาพยัญชนะวะโอทเนนาปฏิจฉาเทสัมมิ พิโยกัมมยตังอุปาทายาติสิกากรณียานสุปังวะโอทังวะอคิลันโนอัตโนอัธายาวิญญาเปตตวพุนชิสาเมติสิคากัรนยานอุชานสันเยปะเรสังปตังโอโลเกสาเมติสิคากัรนยานาติมหันตังเกวลังคิสาเมติสิคากัรนยาปริมัละลังอาโลปังคิสาเมติสิคากัรนยา นาอนาเตกวเรมุคทวารังวิวาริซามีติทิฆากรณียานาปุญชามโนสัพพังหัดทั้งมุขเขปักขิปิสามีติทิฆากรณียานาสกาวเรนมุขเขนัพยหาริซามีติทิฆากรณียานาปิโุเขปการกุญชิซามีติทิฆากรณียานากาวราบัตเชไดการกุญชิซามีติทิฆากรณียานาอวัคันะการกังุญชิซามีติทิฆากรณียา หนหัตถานิโทนกลางผลชิตซาำมีติสิกากรณยาหนาสิทธวากรกังผลชิตซาำมีติสิกากรณยานาชิวหานิชากังผลชิตซาำมีติสิกากรณยาน้าจัปุจัปปุกลงผลชิตซาำมีติสิกากรณยานสุรุสุรุกลงผลชิตซาำมีติสิกากรณียานหัตถานิเลกลางผลชิตซาำมีติสิกากรณียา นาปัตตนิเลหังุลชิสาเมติติฆากรณียานอดทะนิเลหังผลชิสาเมติติฆากรณียานสามิเสนหัะเทนาปานิยัทละกังปฏิเกเหสาเมติติฆากรณียานสัสิทธังปัตตะโทวานังอนรัเรชเดสาเมติติฆากรณียาสมติงสัพโชนาปิตสังยุตตา นาัตปาณิสสะอิลานัสสะธมังเทศิสะเมติสิคฆากรณียานาธันปาณิสสะอคิลานัสสะธรรมังเทศิสเมติสิคฆากรณียานสัทธปาณิสสะอคกิฬานัสสะธรมังเทศิสะเมติสิคฆากรณียานอาวุธปาณิสสะอัิลานัสสะธรมังเทศิสเมติสิคฆากรณียานาปาตุกรุณหัสสะอคิลานัสสะธรมังเทศิสะเมติสิคฆากรณียา นอุปหนาลุนหัสอคิลานัสสะทำมังเทสิสะเมติสิกากรณียานาญาณกัตสอคิลานัสสะทำมังเทสิสะเมติสิกากรณียานไสนณกัตสอคิลานัสสะทำมังเทสิสะเมติสิกากรณยานปลติกายนิสินัสสะคิลานัสสะทำมังเทสิสะเมติสิกากรณยานเวติตาสีสัสสะคิานัสสะทำมังเทสิสะเมติสิกากรณียา นาโอคนติตาสิสะอะคิลานัสสะทำมังเทสิสะเมติสิกากรณนียนาฉมายังเนสีทิตตวะอาสนีเนสินัสสะอะคิลานัสสะทมังเทสิสะเมติสิกากรณนียนาเนเจอาสนีเนสีทิตตวอุเจอาสนีเนสินัสสะอคิานัสสามังเทสิสะเมติสิกากรณียนาติโตนิสินัสสะอคิลานัสสะทมังเทสิสะเมติสิกากรณีย นปัจจโตขจฉันโตปุรโตขจฉันตัสสะอคิลานะสาธรรมเทศิสามีติสิกาการณนียนาอุปเทนคขจฉันโตประเทนะขจฉันตัสสะอหิลานะสะธรรมเดชิสามีติสิกาการณนียโซรสธรรมเทศนาปฏิสังยุตตานาติโตอหิลโนอุจารังวาปะสาวังวาการิสามีติจิกาการเยีย นาหาริเตอคิลนอุจารังวาปัสสะวังวากแห่งวากริสามีติสิกากรณียานาอุทะเกอคิลนอุจารังวาปัสสะวังวากแห่งวากริสามีติสิกากรณียาต่โยปะกินนาการโอติถาอ็อายสัมมันโตเซกิยาธรรมมาตถาอายสัมมันเตปุชามีกัจจิธาบริสุทธาทุติยมปิปุชามีกัจิิธาบริสุทธา ตติย TA ัมเปโผช้าไม่กจิตธาปริสุทธาปริสุทธิธาเยสมมันโตตัสสมาตุเนหีเอวัณเมตังธารยามิเซคียานิธิตาอิเมขปนาเยสมมัโตสตตาธิกรณสมัธาธรรมาอุทเทสังอาคชาอนเตอุปนุปปนา낭อาทิการนา낭สมัายะบูปสัมายาสมุขาวนิโยธาตัพโหสติเวนิโยธาตัพโห อมลหะมินโยธาตัพโอปติญญาตกระนังเยผุยสิกาตัสสะปาปิยาสิกาตินะวัฏารโกติโอติท้าข้ออายสัมันโตสัตตาธิกระนัสมธาธรรมาตถายสัมมันเตปุชฌะเมกจิตถาปริสุทธาโทติยัมปีปุชฌะเมกจิตถาปริสุทธาตติยัมปีปุชฌาเมกจิตถาปริสุทธา ปริสุทธท์ให้สมันโตตัสมะตุนเหเอวเมตังทารยามิสตตาธิกรณสมาธานิฐิตาอุติถังข้ออายสมันโตนิธานังอุติถาจัตารุปราชิกธรรมมาอุติถาเตระสังฆาริเสสะธรรมาอุติถาทเวอนิยตาธรรมมะอุติถาติงสานิสขิยาปปาจิติยาธรรมมา อุติธาทเวนอุอติปานจิติญาธรรมาอุติธาจตารโปาติเทศนิญาธรรมาอุติธาเสขียาธรรมะโอทิธาสัตตาธิกรณาสมธาธรรมาเอตักันตัสสะภควะโตสุตตาขะตังสุตตาปริยาปั น, นังอันวทธรมาสังอุทเทสังอาคัตชะต ตถสพะเฮวาสมัเขเฮสัมโอธมาเนหอวิวัตมาเนหสิกิตาภัง